لهم يفرون وارزقهم كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسو. ا وتسلموا على أهلها، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. بعلم تجد فيها أ ح َ د ا فلا تدخلها فلا تدخلها ح َ ت َّ ى ه ا ؤ ْ ذ ي ن َ لكم. و َ إ ِ ن ِْ ل َ ل ك ُ م ُ ر ج ِ ع و ا فَرْجِعُوا ه و أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ع َ ل ِ ي م ل يس عليكم جناح أن تدخلوا بيوت الله ومسكن فيها ما تعلكم. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئات أعمالنا. ما يهديه الله فلا م ُ ض ل له و م ن ي ض ل ل فلا ه ا د ي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د ا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أ م س ي ن ا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ا ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما س م ه شيء في الأرض ولا في السماء ووسميع العليم ر ض ي بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ا ل رسوله اللهم إني أعوذ بك من ا ل ك س ل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر a m u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh ที <c> ่น้องที่รวมนามัสุที่บ้านของ Allah <oughs> ท่ัหลายครัดลวตอนนี้เราต้องชูกรต่อ Allah subhanahu <c oughs> wa taala นะครับที่เราได้ใช้ชีวิตในเดือนมกรนะครับผ่านมาแล้ววันอีดเนี่ย ที่ผ่านมาก็คือวันที่หกวันที่หกนะครับเราได้รวมตัวกันฉลองเป็นการขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้ใช้ชีวิตในเดือนรมดอมาครบสามสิบวันในช่วงนี้นี่อัลลอ์เปิดโอกาสให้เราถือสินอดอีกหกวันในเดือนชาวานะครับบวชหกเขาเรียกว่าบวชหกผลบุญเท่ากับถือสินอดตลอดทั้งปี พี่น้องก็คงจะรู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการให้เราถื อ, อยังไงผลบุญก็คือเดือนอัมรอดถาม3ามสวันหนึ่งวันเท่ากับ60วันก็เท่ากับ300วันบวกไปอีกหก็360วันปีหนึ่งมี360วันในเขาเรียกว่าเดือนทางจันทรคตินะครับส่วนเดือนทางสุริยคติเนี่ยมันมีปีและอะไร สามหสห้าวันแต่เขาอิสลามเนี่ยมีแค่นี้แหละสามยหกสิวันเพราะว่าเดือนมันมียี่สิบ้าือสาสบนะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้ถือสึ่งอดทีนี้บรรดาอัลฮะบะของท่านนบีเนี่ยบรรดาอัลฮะบะของท่านนบีเนี่ยหลังตัวระมดาดอมผ่านไปแล้วเนี่ยเขากังวลอยู่สามเรื่องอเรื่องที่หนึ่งเขาเสียใจ คือละมดอหมดไปก็เสียใจนะพี่น้องเพราะว่าหมดโอกาสที่จะทําความดีนี่บรรดาซอบาของท่านนาบีนะมีการบันทึกในฮะดิษของท่านนาบีเอาไว้นะเรื่องที่สองซอบาของท่านนาบีนี่ยเขามีความกลัวพอระมดอผ่านไปแล้วนะกลัวนะกลัวว่าเอาล้อจะไม่รับความดีที่ทําในเดืดอนระมดอทั้งหมด มีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งถือเส้นอดสองอ่านอัลกุรอานสามนำมาทียามุลเลนสีอ่านพวงอ่านคือความดีเขามหมดที่เราทำเนี่ยกลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่รับนี่บรรดาสอฟบ้างของท่านนะดีนะครับเขาปฏิบัติกันแบบนี้ข้อที่สามเขาขอดุอาเขาเรียกว่ายักษ์สือรูนดอุอาเขาขอดุอาเยอะอัลลอฮฺจะรับดุอาของข้าพเจ้าโดยเธอไป ร, รับการเช่น ขอาวินบสัสอัลลอฮฺมัตตักบัลมินาดุอาาแะ صلاة นาและซีแยมนาและ قراءات นายาอัลลอฮฺก็ขออาต่อล็อเราไม่ข อ, ก, ขอกันขอกันกี่วันพกเดือนติดต่อกันทุกวันทุวันทุวันว น, นี่บรรดาสหายของท่านนบีในสมัยนบีเ้าทากันแบบนี้ที่เรานำมาเรื่องนี้มาที่จะมาสอนตัวเราวันนี้แหละเพราะเราอยู่ห่างกับสาหบานบีนนบกี่กี่ร้อยปีนะ พันกว่าปีเราก็เอารูปแบบของซอบ้านอบีแล้วเอามาใช้บรรดาซอบ้านของท่านนาบีก็เหมือนกันพี่น้องเขาเล่าบอกว่าสัญญาณหรืออาลามะของคนที่ถือสินอดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยว่าอัลลอฮจะรับหรือไม่รับเนี่ยให้สังเกตดูสี่ข้อข้อที่หนึ่ง ถ้าอัลลอฮ์รับดูการหรือรับการทําความดีโดยเดียวละมดอนที่ผ่านมาในข้อที่หนึ่งเราเป็นคนดีมากกว่าปีที่แล้วนี่ข้อที่หนึ่งสังเกตเราเนี่ยดีมากกว่าปีที่แล้วนะเช่นอ่านคูอ่านาเพิ่มขึ้นธรรมดาอ่านวันหนึ่งห้าอายะแต่ปีนี้อยากจะอ่านเพิ่มขึ้นเป็นหกอายะเจ็อายะต่อวันนะนะ พ, พยายามดูแลตัวเองดีกว่าเก่าเรื่องที่สองอยากจะทําความดีเพิ่มขึ้นใจมนุษย์เอออยากจะทําความดีเพิ่มขึ้นเรื่องที่สามนะครับอยากจะปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตามสุนนะนบีนะอยากจะปฏิบัติพ่อเมื่อก่อนเนี่ยเป็นความดีอะไรก็ได้ฝืนสุนนะนบีก็ยังทําได้อยู่ใช่ไหมพอชาวบ้านก็ทํากันเนี่ย เอมาปีนี้ไม่แล้วเราต้องการอยากจะทาเอาสุนนะนบีมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นจะนอนตามสุนนะนบีค้อนวองกันยังไงนะเขาแปลงฟันก่อนอาบน้ำนำมาก่อนจริงหรือเปล่าต้องศึกษาดูได้ไหมเออใช่เนะี่ยนบีอ่านสามขก่อนนอนแล้วก็อ่านอายะคุซีก่อนนอนแล้วก็อ่านโซรออะไรนะแต่ว่ารกัีบอาดิลปีนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เรื่องที่สี่พี่น้องรักษาหนามาจามาที่มสัสยิดมากกว่าเก่าวันศุกร์นี่ไม่อยากขาดแล้วก็วันธรรมดาห้าเวลานี่อยากจมะมานมารวมกันกับจามาที่มสัสยิดไอ้สามสี่รายการนี่แหล ะ, สะแสดงว่ารอมฎอนที่ผ่านมานั้นอัลลอฮ์รับความดีที่เราทํามาทำนั่นล่ะนี่เป็นข้อสังเกตในพี่น้องบรรดาสวามีของท่านนับดเบีเขาสังเกตกันแบบนี้ วันนี้เรามาถึงสูราอันนตอันนุษเนี่ยสุราที่ยี่สิบสี่นะ <c oughs> แล้วก็อายาที่ยี่สิบหกอายาที่ยี่สิบสี่กับยี่สิบห้าที่ของที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสอนให้เรานึกว่าสิ่งที่จะมาเป็นพยานข้านเราเนี่ยนะ อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ในตัวเรานี่แหละอะไรบ้างครับก็มีสองขากับสองมือสี่รายการแล้วนะแล้วก็ลิ้นห้ารายการใครเล่าให้เราฟังอัลลอฮ์เล่าในตะพีอัลกุรอานน่ากลัวนะวันนี้นะ่เท้าพูดไม่ได้มือพูดไม่ได้ แต่ในวันเกียร์มาเนี่นะอลัลลอฮฺจะให้มือทั้งสองพูดแล้วก็เท้าทั้งสองพูดอัลลอฮฺเน่าอุบิลล์น่ากลัวมากเลยครับถ้าอ่านจากักุอ่านท่านเล่นนนั้นะได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่จะเป็นพยานเนี่ยคานตัวเรานี่นะจะเป็นพยานเก็บเก็บความดีหรือความชั่วงเรามีอยู่สี่แหละนะ่งแหล่งที่หนึ่งก็คือแผ่นดิน กูอ่านตรงไหนครับยามาอีรินตุฮัดดิสุอัคบะรฮะในวันเตียมะอัลลอฮฺจะให้แผ่นดินเนี่ยพูดได้เนี่แผ่นดินเนี่ยที่เราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเก็บบิ๊คอร์เร็งหมดเลยนะครับรอยสูยูดก็แผ่นดินก็จะเล่าเล่าให้เล่าให้เราฟังอะไรละเราคนอื่นก็จะฟังด้วยข้อที่สองเอ่อมาลายกะที่อยู่กับเราเนี่นะ เก็บความดีความชั่วที่เราทำไว้ทั้งหมดแล้วก็จะเล่าให้เราฟังในวันนั้นสามเอกสารที่มลัยกั บ, บันทึกเอาไว้กันอันที่สี่นี่ไงมือกับเท้าของเราก็จะเล่าเรื่องราวที่เราทำบนโลกดุนยานี้ทั้งหมดนี่สรุปจากคุรอ่านทั้งเล่ม น, นะอ่ะอทีนี้ อายาที่25ของอาทิตย์ที่แล้วยาอเมิดียวฟฟีฮิมุลลอฮูดีเนฮูมุลฮัวันนั้นนะอัลลอ์จะทรงตอบแทนพวกเขาอย่างครบถ้วนคือวันนี้ที่เราทำความดีความดีความดีมดอัลลอ์ยังไม่ได้ตอบแทนรางวัลนะยังไม่ได้ตอบแทนรางวัลให้นะอะไรบ้างที่เราทำอยู่วันนี้นี่นะอัลลอ์ยังไมไ่ตอบแทนรางวัลนะแต่อัลลอ ให้เราทดสอบให้เพื่อการทดสอบให้เงินมาให้คนนี้อาร่ำรวยลุจกีกว้างขวางดีทดสอบเองเวลาสบายแล้วมีลุจคีเยอะแต่ทำยังไงก็จะให้คะแนนแล้วก็ให้คนนี้เจ็บไข้ใดป่วยมีเงินมีทองน้อยเป็นการทดสอบว่าคนนี้เวลาจนแล้วเป็นทําตัวยังไงอดทนไม่สบายไหมขอดูอาไหมเป็นการทดสอบหมดเลย เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าโลกดุนยาใบนี้คือโลกแห่งการทดสอบรางวัลยังไม่ได้ให้จะให้รางวัลครบบริบูรณ์ก็วันที่เราฟื้นขึ้นมาจากไรนะจากหลุมฝังศพแล้วอัลลอฮฺก็จะมอบรางวัลให้แบบครบถ้วนเลยครับครับนั่นคืออายาที่ผ่านมานะครับของอาทิตย์ที่แล้วมาวันนี้อายาที่ยี่สิบหกนะครับ الخبثات للخبثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق تريم الله أكبر الحمد لله الخبيثة للخبيثين والخبثون للخبثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مظفرتهم و ر ز ق ه กรอัลฮัมดุลิลลาอัลคอบีซาตดูสับนะครับคอบีซาเพราว่าหญิงชั่วภาษาไทย ช, ชั้นดีก็หญิงจันไรหญิงจันไรเราพูดกันนะหญิงจันไรจะไปดูเบนติชนอรี่ภาษาไทยแล้วโอ้จันไรเพราะว่าชั่วเร็วนะหญิงจันไร ลิลคอบีซีนรีเะว่าเหมาะสมหญิงชั่วลิลคอบีซีนเหมาะสำหรับใช้ชั่วเชื่อหญิงช่วเชืเหมาะพร้อมที่จะอยู่นิสัยคล้ายๆกันก็อยู่กับคนชั่วเช่น ะ, ะนี่ใครบอกแล้วนะอลัลลอ์เล่าให้เราฟังอาตาให้เพาะหน่อยก็หญิงจังไวย เหมาะสําหรับใช้จันไรหญิงชั่วเหมาะสําหรับชายชั่วนะหญิงจังไรเหมาะสําหรับหญิงจันไรนะครับอา Allah, บ้าวรออักบัตภาษ า, าูุฮานชั้นหนึ่งเลยครับไม่ใช่มาจากมนุษย์มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาดะวะฮีเรามาจากชั้นฟ้าชันที่เจ็ดถ้าจะขึ้นกับลงเนี่ยห้าร้อยอัลลอฮฺลงห้าร้อยขึ้นนี่ห้าร้อย เราตายกี่ครั้งเกิดกี่ครั้ง่ะนี่ก็แต่อัลลอ์ให้ยิบรินลงมาให้นาบีแป๊บเดียวถึงเลยนะเอาต่อมาครับวลคอบีซูนแปลว่าชายชั่วหรือชายจันไรลิลคอบีเซอหมาะสำหรับหญิงจันไรหรือหญิงชั่ว อำอาจรารย์ไนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาต่ำนะภาษ า, าสูงนะภาษาราชาสำเลยนะอาจารย์ไเนี่ยนะเอาเลยเอาบทคำมดลิลลดอตัวว่ายิงชั่วนี่เหมาะสาหรับชายชั่วชายชั่วเหมาะสาหรับหญิงชั่ววัตตัยยิบาทหญิงดีอามในภาษาัชนสูงก็หญิงกาละยานอลอ กัลยาณหญิงดีนะครับหญิงดีเนี่ยลิตอยบินเหมาะสาหรับชายดีๆชายกัลยาณ น, นะครับวัอยบแล้วก็ชายดีๆหรือชายกัลยาณเนี่ยลิตอยบบเหมาะกับผู้หญิงดีๆหญิงกับผู้หญิงกัลยาณอัลลอัลนี่เป็นภาษาของอัลลอฮฺ سبحانه ะอธิบายอย่างนี้ ไอ้คำว่าชั่วเนี่ยชั่วเรื่องอะไรในอุลมามะตัฟซิ์ผมอ่านหลายเล่มเลยนะครับข้อสรุปว่าเรื่องการพูดจ า, ราเรื่องการพูดจาทําไมต้องลงอายานี้มาต้องการจะเตือนมนุษย์ฉะนั้นคนที่พูดจาดีมีไหมในโลกนี้เยอะคนที่พูดจาไม่ดีมีไหมมีเยอะ แทนต้องการจะอธิบายว่าการพูดจานี่การพูดจาดีๆเนี่ยเป็นศาสนานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าอายาที่จะถึงเนี่ยมีประวัติใช่ไหมมีเรื่องเกี่ยวยิงไอาชาใช่ไหมถูกปรับปรามว่าทำดินาการพูดปักปรามคนว่าทำดินาเนี่ยพูดดีหรือพูดชั่วหรือพูดเร็วพูดเร็เวๆนั่นแหละขยุวหญิงจันไรหรือชายจันไร เพราะฉะนั้นคำว่าคอบิสัสอัลขบิสินอัลอบิซูลอัลขบิสันเนี่ยต้องการจะเตือนว่าการใช้ภาษาพูดหรือการจะด่าคนเนะี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะจะเอาล่อให้ปากมาให้ลิ้นมานะเอาล่อให้ใ ห, ให้ให้อีหมานมาเปเครื่องยับยั้งนะถ้าไม่มีอีหมานเนี่ยคนเนี่ยด่าคนได้ทั้งวันนั่นแหละ แต่ถ้ามีอีมา ن นะมีอีมานมีตักว่ามียักยีมีเอสานมีอัคราสมีสุนัขกบีนี่นะกำกับชีวิตอยู่เนี่ยนะเขาจะพูดแต่เรื่องดีดีดีดีดีดีดีดีอย่างนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นนะพูดตามวาฮีเน่ยพูดแต่เรื่องดีหมดเลยนะไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องเสียท่านชีวิตของท่านเนี่ยไม่เคยไม่เคยพูดตําหนิใครไม่เคยพูดด่าใคร นอกจากวหีที่ผ่านจากอัลลอมาเท่า น, นั้นเองฉะนั้นอญญายะนี้เตือนนะครับเพราะว่าขาว่าหญิงจันไรหรือหญิงชั่วเหมาะสำหรับชายจันไรหรือชายชั่วก็คือการพูดจาลามกการตำหนิการปักตร์ำการใส่ร้ายการนินทาทั้งหมดถ้าเราเนี่ยมีมานก ا ن กั บ, ก บ, กบชีวิต เราจะเปลี่ยนจากการใช้ภาษาที่ไม่ดีมาใช้ภาษาที่ดีเพราะฉะนั้นให้เลือกแต่งงาน่ถึงว่าเนี่ยให้แต่งงานกับคนดีๆไอ้คนดีในในศาสนาอิสลามนะะ่ถึงต้องพูดจาดีด้วยน ะ, ะพูดจาดีมารยาท ด, ดีอั น, น้นกอักลากดีโอ้โหสอนหมดเลยอัลฮัมดุลิลละทีนี้มาดูคำแปลเนะี่ยวัด ต, ตอยอีเบตุลต ก็ยีบนหญิงดีหรือหญิงหญิงดีๆนะครับหญิงกัลยาเนี่ยเหมาะที่จะอยู่กับชายที่กัลยาและชายดีๆเหมาะที่จะใช้ชีวิตอยู่กับหญิงดีๆอ่ะทุกวันนี้กล้ากันแล้วะนะคนดีอยู่ด้วยกันกับคนดีน่ลูกออกมาจะดีเลยไม่ดีล่ะ อ๋อรอจะอยู่กับคุยกับแม่แม่กับผู้ชาดีไม่ว่าใครแม่นินทาใครไม่ปัดตําใครอ๋อรอเรื่องจะดีหมดเลยลูกเราต้องดีกับพ่อแม่ใช่หรือไม่ใช่เราต้องอบรมลูกของเราให้ดีกว่าเราทั้งหมดเหล่านี้อ๋อรอสอนว่างไงนะอูลาอีกามูบารูนทั้งหมดนี่นะคนที่มีนิสัยดีแบบนี้อัครา ด, ดี ไม่พูดจาเรื่องไร้สาระไม่ปรักตำไม่ดา่าไม่นินทาไม่ฟิตนาคนอืละอีกะมูบัฟราอูนคนเหล่านี้เนี่ยเหลา่านี้บุคคลเหล่านี้มูบัฟรานูนเป็นผู้ไรมลทินอลัลลอฮฺเห็นไหมเป็นคนสะอาดทันย่างครับถึงจะเกิดมาเป็นคนจนกว่าเป็นคนสะอาดถึงจะเกิดมาไม่ใช่ลูก แต่ครอบครัวที่มหาเศรษฐีครอบครัวใหญ่ๆดังๆก็เป็นคนสะอาดได้ไหมได้ใครรับรองครับอัลลอฮฺรับรางว่านักบีอุคุรอันอัลลอฮฺอัลลัอุลัยตะมุบะรอุนมุบะรอุนตรงนี้จะอธิบายอย่างงี้ครอบครัวนบีเนี่ยต้องการจะอธิบายนะที่ตับซีตอธิบายนะคนครอบครัวนบีทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลที่ไร้มนทิน แต่ท่านใครที่ตำหนิครอบครัวนบีคุณทำผิดนะเพราะอัลลอฮ์รับรองครอบครัวนบีพยานาบีเนี่ยเป็นครอบครัวที่สะอาดบริสุทธิ์แต่วันนี้ขณะที่อัลลอฮ์รับรองแล้วยังมีคนด่าอยู่ไหมมีครับกลุ่มไหนพี่น้องก็รู้เนี่ ย, ยกลุ่มไหนเขาด่าก็อยู่ไหมมีอยู่ประเทศหนึ่งอะด่ามากที่สุดเนี่ยก็รู้แล้วใช่ไหมอยู่ประเทศไหนใช่ไหมา ผมมาต้องบอกก็ได้อูลัยิกามุบรารูนเหล่านี้แหละเป็นบุคคลที่ไร้มนทิ้นหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์มิ ม, มายากูลูนนะครับซ้ำเออยากูลุนแปลว่ากล่าวไ า, า่พวกกล่าวไร่พวกใส่ไรย่ยากูลุนหมายถึงพูดกล่าวไร่เช่นพูดดา่า พูดปรักปรำพูกตํานี้นะครับฉะนั้นครอบครัวนบีเนี่ยเป็นครอบครัวที่สะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นใครที่พูดตําแหน่งนี้นะไม่ได้เลวอย่างที่ปากของประชาชนพูดถึงจะเป็นวันนี้ห่างจากจยุคนบีถึงพันพันสีปีก็ตามไม่ได้เลวอย่างที่ปากก็พูดเพราะอัลลอฮ์รับรองความสะอาดบริสุทธิ์ให้กับครอบครัวนบีทีนี้พวกเราก็พยายามปรับตัวเราเนี่ย ทำได้ไหมได้ใช่ไหมปรับปลืกตัวเราขอบครัวเราลูกหลานเราอย่าให้เป็นคนที่อะไรนะปักปร้มคนอื่นนะครับตําหนิคนอื่นด่าคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นแต่เราถูกตําหนินะ่ะได้ไหมไม่มีปัญหาเหมือนใครเหมือนนบีใช่ไหมนบีถูกตําหนิตลอดเวลาจะนั้นเวลาชาวบ้านตําหนิเราจะเลวด้วยไหมไม่ใช่ เราไม่ได้เลวอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดใส่รายเราหรือปรักปรมเรานี่พอคนมีกุ้งอ่านปับนี่เขาสบายใจโอ้จะทำยังไงละอายานี้ตอ้องการจะเตือนอีกนะครับครอบครัวนาบีมปครอบครัวยังไงลาหุมมาสฟิโราลาหุมมาสฟิโรสำหรับพวกเขาลาหุมแปลว่าสำหรับพวกเขามาสฟิโรตุนหมายถึงการอภัยโทษ ครอบครัวนบีทั้งหมดหรือคนดีๆทั้งหมดที่ทําตัวเหมือนครอบครัวนบีเนี่ยนะเขาเป็นผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์แล้วและยังไม่พออีกวาริสกุมการีริสกีแปลว่าเพื่องอย่างชีพการีมแปลว่ามีเกียรติอธิบายยังไงริสกุลการีมเพื่องอย่างชีพอันมีเกียรติหมายถึงเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ในตรัสิดอิบนุกะเซ็ด อัลฮัมดุลิลลอพิน้องริสกุมการีมาถึงริสกีอันมีเกียรติเนี่ยถ้าเราคิดจากสมองเรานี่นะก็แปลว่ามีบ้านอยู่มีที่ดินมีพญาดีใช่ไหมละมีอะไรแต่ไรริสกีบุตุญยานี่เยอะมีบ้านเช่าเป็นรลยๆยห้องดังเดือนมาเดือนสองแสนสามสแสนสมองริสกีปวดใช่ไหมคิดแบบนี้ก็ถูกแต่ตรงนี้มันจะหมายความว่าอย่างงาั้นตัวนี้หมายถึง หลังจากฟื้นขึ้นชีพนะครับอัลลอฮ์จะให้ครอบครัวนบีพยานาบีทุกคนอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาล์อัลลนะอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ประกันแบบนี้นะีสบาใจไหมสบาใจครอบจะนั้นไม่ใช่เฉพาะครอบครัวนบีอย่างเดียวนะซอบ้านนบีเกือบทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ประกันว่าเป็นชาวสวรรค์เนชะ่นนบีพูดอบูประกะอในสวรรค์ไซนามาฮัอยู่ในสวรรค์ ซาบาน บ, บีอีกเป็นแสนคนอีกลหลายๆหมื่นคนอยู่ในสวรรค์หมดเลยอ่ะที่มีชื่อมีชื่อกำกับกำกับกำกับกำกับกำกับกับเพราะคนเหล่านี้วะดีอาลลอฮฺอันฮุมวะวะูอันบูพวกเขาอะไรนะอัลลอฮฺ Allah พึงพอใจพวกเขาแล้วพวกเขาก็พอใจที่จะนำเอาคำสอนของอัลลอฮฺที่ผ่านนาบีเนี่ยนำเอามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันนะครับทีนี้ในตับซิดอิบุกซิดอธิบายดีนะครับ อธิบายวอกว่าเช่นมุฟัซซีรินนักอธิบายในรุ่นเก่าๆทั้งหมดนี้นะเขาเน้นว่ามานาอัลกะลิมาตุลขบีสัดมินัลกาวลิด้านคำพูดอย่างเดียวนะตะกราตอธิบายว่าพญางาเบไม่มีใครทำซีนานี่็อธิบายต่อ ไม่มีครอบครัวนบีคนใดนะครับที่ภรรยาแอบไปทำจิน่าเนี่ยไม่มีแม้แต่ภรรยาของนบีนัวกับนบีลูดสองท่านนี้ที่กุณอ่านอธิบายว่านางเป็นจาเฟตนะเป็นจาเฟตหมายถึงไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่ศรัทธาต่อคําสอนของนบีลูดลูดจกของนบีนวัวแต่นางไม่เคยทําบาปแบบนี้แบบแรกแบบ ไปซ้ำซ้อนเนี่ยไปทำสินาไม่มีที่เสียเนะี่ยเสียเพราะอะกิดาของเขาไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวผิดตรงนั้นมีโทษไหมมีครับแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นอักษรากอย่างอื่นนะ่ะดีหมดเลยมารยาดีอะไรดีพูดจาดีใช่ไหมแต่อาจจะขวางคําสั่งของอัลลอฮ์เป็นบางเรื่องแต่ว่าเรื่องสินามีไหมไม่มีครับ อย่างนี <és> an, IS, so an in, ้เป็นต้นนั่นเราต้องมองครอบครัวนบีเป็นครอบครัวที่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าจะผิดก็ผิดเรื่องอกดีได้นะครับเรื่องอกดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับอิบนอับบาสท่านอิบนอับบารายงานบอกว่ามาบะอิมรอตุนบียุกัไม่มีภรรยาของนบีคนใดทาจินาแน่นอนนี่ในหนังสือฟิฟโดกลมันซูดนะครับ พญานาบีอาจจะเป็นแค่คนกาเฟตเท่านั้นแต่ไม่มีพญานาบีคนใดทำสินาในตันซีนบรรยายาตุลกุรอานนะครับเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับคุสรุปก็คือคนที่ทําตัวดีพูดจาดีอย่าลืมนะการพูดจานะเป็นศาสนานะการพูดจาดีไม่ว่าคนไม่ตามําหนิคนเป็นศาสนาครับอัลลอฮ์ก็พูดชมในกะปะีกุรอานด้วยนะครับ أ َ ت م ا أ ْ ج ا ت ِ ي س ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ت د خ ل و ا ب ي و ت ا غ َ ي ر ب ي و ت ك م ح ت ى ت س ت أ ن س و ا و ت س ل م و ا ع ل ى أ ه ل ه ا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون الله أكبر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا ويربويتوكم ตต่จะสนิทและทุสลิมุ่งล่าวอัลฮัลลาฮ์นั่คือข่าลดีของคุณแล่คุณจะจำได้ขอขอบคุมพระเจ้าข้อควานี้เป็เรื่องของมารยาในการเข้าออกบ้านจะเข้าบ้านทำยังไง ถ้าทำตามามญญาญยานี้นอันลลอ์พอใจและเป็นมารยาทของมุสลิมมุสลามทั่วโลกมีมารยาทแบบนี้เลยแล้วก็ฝรังก็นำมาไปใช้แล้วก็บอกว่านี่เป็นของฉันแต่ที่ไหนได้มันของใครของอัลลอ์อัลลอ์สอนในการ ฟ, ฟีดกุ่อ่านในเรื่องมารยาทในการเข้าขบ้านยาอายุฮัลลาดีนาอามนเปว บรรดาผู้ศรัทธาเอยอยอามาโนบนผู้ศรัทธาเป็นน้องสังเกตอามานูเนี่ยผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายเห็นไหมแล้วผู้หญิงอยู่ไหนล่ะก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แห ล, ละเวลาเออย่อยผู้ชายต้องการจะบอกไปถึงสตรีด้วยอ่จาจะนั้นอย่าอ่านคู่อ่านเอเอลอสั่งผู้ชายและผู้หญิงไม่เกี่ยวใช่ไหย อาจจะมีบางคนคิดแบบนี้ฉะนั้นต้องอ่านตบสีสเพราออ่านตบทสิครับโอ้อามานุยเอยโอ้บรรดาผู้ศรัทธาชายเอเรยรวมไปถึงผู้หญิงทั้งหมดสตีทั้งหมดทั่วโลกนะครับทําอะไรบ้าครับเมืม่อมี إ ي م า ن แล้วเนี่ยทํามาต้องมี إ ي م านก่อเพราะอิมา น, นั่นเป็นเครื่องประกันไม่ให้ตกนรก แต่นี้จะอยู่ในสวรรค์ชั้นพิเศษพิเศษพิเศษต้องมีงานแบบนี้ลา้ตาดคูลูอรรษามลาเบวายาตาดคูลูเบวายาเข้าแล้ตาดคูลูจงอยาเข้าบุยุตังมาจากใบตุนใบตตานี่บุยุตเพราะว่าบ้านท่านทั้งหลายจงอย่าเข้าบ้านบุยุตันแบบบ้านใครก็ได้อย่าไปเข้านะ เข้าสเปสะบะไม่ได้นี่สอเรื่องมารยาทใช่ไหมพระสิทธิบายอีกคำว่าบ้านเนี่ยอลัลลอฮ์อย่าลืมนะบ้านนีนะ่อยู่ในคมัมภีร์คุ้นอ่านนะฉะนั้นคนที่มีบ้านเนี่ยต้องขอบคุณอลัลลอฮ์บ้านใครที่มีที่อยู่อาศัยเป็นบ้านตัวเองจะเป็นบ้านเช่าก็ได้ต้องขอบคุณอลัลลอฮ์เพราะใ น, นคุ้อานอายะอื่นอธิบายอย่างนี้ครับยะอาลาละกุมมินบุยุติกุมสกักการะ ล l l a h ได้ทรงทําบ้านของสูเจ้าให้เป็นที่อยู่อาศัยบ้านเป็นสถานที่ที่อยู่อาศัยในภาษาอูบุอธิบายยางไง ร, รู้ไหมสุกูนวะรฮัตอัลกุอันอัลฮัดดิษเอาภาษาอับมาช่าทั้งหมดคนถ้าอยู่ในบ้านแล้วมันสุกูนมันอบอุ่นสบายใจกกวะรฮัตก็เป็นการพักผรอนที่ดีที่สุด นี่ถ้าเอาล้อกําหนดให้เราอยู่แบบนกอ่ะจะเป็นยังไงต้องนึกตัวนั้นด้วยนะกลางคืนอ่ะนอนบนเก่งเก่งง่ายเวลาฝนตกทําไงลูกเลยล่ะพายาเลยละต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องนึกเยอะๆโอ้ขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ r, ให้เรามีบ้านหลังหนึ่งจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่อืเอื่องนึงนะอัลฮัมดุลิลละต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีสาวบ้านอบีลนคนหนึ่งปลูกบ้านแล้วก็ชวนนบีไปที่บ้านนาบีก็ไปถึงบ้านมันจะขึ้นบ้านใหม่นะเขาใช้ึลนมาขึ้นบ้านใหม่นะ <c oughs> นับีก็พาไปพาอับดุลไปที่บ้านพอไปถึงนบีถามยังไงคุณจะทำที่นามาดของคุณนะ่ะตรงไหนบ้านที่คุณปลูกเนี่ยจะทำที่นามาดตรงไหนเห็นยังคนระันบนีอนบีุชี้นำ ชีนําให้คิดคิดตามนเบียจนั้นเมื่อมีบ้านแล้วจัดที่นามาศตรงไหนไอห้องครวงัวน่ะมีไหมมีห้องนอนมีไหย ม, มีห้องรับแขกมีไหมมีแต่หลายคนลืมทําที่นามนาศนมาศตรงไหนก็ได้บ้านฉันผมว่าไม่เหมาะมัน <c oughs> ต้องมีที่สำหรับนามาศไว้เลยเอะห้องรับแขกพามายายหน่อยก็ตรงนี้เป็นที่นามาศนะแลมีหนังสือหนังหาวางอยู่มาสักสีสิบเล่มดีสิบเล่ม เวลานามาัสจบแล้วก็เอากระดาษมานั่งอา่านนั่นบ้านกเราพี่น้องต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะนบีก็ไปนามาสให้สองสองระกาตก็นบีก็ขอดูอาให้ให้บ้านหลังนี้มีบระกาตไม่ให้มีเบียรมีเหล้ามีหนังสืเอเอ็กอยู่ในบ้านต้องไม่มีนะพี่น้องเพราะบ้านเรานี่อุศิษฐอัลตักวานะปูกบ้านจนมาเพื่อให้ตักวามันเพิ่มขึ้นนะอิมานมันเพิ่มขึ้น ให้ตะควเพิ่มขึ้นให้ยาตีนเพิ่มเพราะบ้านมันเป็นแหล่งที่ทําให้เรามีนะพบกับความสุกูื่นว่าเราหัดความสงบแล้วก็เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในบ้านทําไมอา่อรรถเป็นพูดถึงเรื่องเรื่องบ้านอ่าเพราะบ้านนี้เป็นเนียอมาตเป็นความโปรดปรานที่อลัลลอฮ์ประทานให้นบีมีบ้านเหมือนกันแต่บ้านนบีเรียกกัาบ้านเรา รู้ได้ไงวัยเล็กันี่ยก่นบีนมาตัดยุดตอนกลคืนเนี่ยมือถูกเท้านบีถูกททาพยายเล็กและใหญ่ตรงนี้เป็นหลักฐานให้รู้ว่านบีถูกพยาไม่เสียน้ํานมาถ้านบีถูกพยาแลราเสียน้ำนานบีต้องมาอานน้ำนมาใช่ไหมนบีเดินเท้าขึ้นนบีก็สู้อยู่ต่อนี่คือหลักฐานว่า ถูกภัยยากระทบภัยยาไม่เสียน้ำานามาอย่างนี้เป็นต้นนะยะอายุฮันดีนะอมนุและตัดคูลูบุยุตันไรรบุยุติกุมโอบันดาผู้สัทาอยนะครับลาตัดคูลูบุยุตันจงอย่าเข้าบ้านหนึ่งบ้านใด ร้อยว่าบุยู่ที่กุ้งอื่นร้อยว่าแปว่าอื่นบุยู่ที่กุ้งจากบ้านของสูเจ้าอาลัลลอฮฺสอนไม่ให้เข้าบ้านหนึ่งบ้านใดอื่นจากบ้านของสูเจ้าอาลัลลอฮฺพูดภาษาง่ายๆจะกินความเยอะมากอัลลอฮฺทำไปเลยละตกลงว่าบ้านเราเนี่ยเข้าได้สบายๆแต่บ้านคนอื่นอย่าไปเข้าผมเนี่ยมีแขกเยอะที่บ้านผมมานะบางคนเนี่ย เข้าแบบอิสลามเข้าดีสลามาอะกุมาคดเคาะประตูก่อนสลามาอะกุ้บางคนเนี่ยเคาะปั๊บเข้าเลย <c oughs> มีไหมมีแล้วก็นึก อ, อ๋อเนี่เขาไม่เาไม่เคยอ่านคนุอ่านนะไม่เคยสนใจมารยาทในการเข้าบ้านถึงจะจบฝรั่งเจ้าจอเมริกาก็เถอะถ้ามาเรียนอิสลามเนี่ยเข้าบ้านผิดหมดและใช่ไหม <c oughs> อันเนี่อัลลอฮ์สั่งนะลาตาคูลูท่านทั้งหลายอย่าเข้าบ้านหนึ่งบ้านใดซึ่งไม่ใช่บ้านของสูรเจ้านะครับฮัตตาจมกวา่าตัสตะนิสุัสตะนิสแปลว่าขออนุญาตต้องขออนุญาตก่อนอัลลอฮ์ให้ไหมอย่าเข้าจนกว่าท่านจะได้ขออนุญาตก่อน ขออนุญาตเลยยังไม่พอวาตุส ล, ลิมอะไรให้กล่าวสลามอีกนี่ไงนี่ไงข้อพิเศษมันอยู่ตรงนี้ไงขออนุญาตไม่พอกล่าวสลามอีกอัสลามอะลากุมวะะมตุลลอฮิวะบรอกตุเห้นี่มาดัด伊斯兰ข้าอย่างเดียวขออนุญาตอย่างเดียวไม่สมัยสลามผิดให้สลามอย่างเดียวไม่ขออญาก็ผิด อ่ห้นว่านี่หลักการสลามีกี่เนี่ยสองข้อข้อที่หนึ่งขออนุญาตข้อที่สองอัสสลามุอะลัยกุบัตุสลีมูอะลัอะลีฮาอะลัยฮะบวติของบ้านเชก่อนอัลลอฮฺบอกขอบคุณอัลลอที่ะลอให้หลักการสั้นๆอายะเดียวอธิบายชีวิตเราทั้งชีวิตเลยใช่หรือไม่ใช่ซลิกุมคอยุลลากุมซาลิคุม การขออนุญาตก็ดีการให้สลามก็ดีดาริกุมแปลว่านั่นการให้สลามกระการขออนุญาตนั้นค่อยรุ่ละกุมเป็นการดีสำหรับสู่เจ้าใครว่าวดีอัลลอฮฺว่าวดีโตแชร์พูดอย่างนี้ไหมคิดไม่ถึงหรอกครับนี <c oughs> ่เป็นความรู้ของอัลลอฮผ่านญิบรีนมาให้ท่านนาบีฉะนั้นการขออนุญาตก่อนเข้ากับการให้สลามก่อนเข้า เป็นค่อยๆแล้วก้มเป็นความดีนะครับไอค้คำว่าความดีเนี่ยหมายถึงมีบารัณฑ์ลลไหมมีอัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์พอใจมีรางวัลจะได้ว่าการเข้าบ้านเป็นสุนนะนบีข้อหนึ่งนะครับแล้วก็การทําอันนั้นเป็นความดีและมีรางวัลไหมมีครับตาก็เหมือนกันมือก็เหมือนกันตาก็เหมือนกันมีหน้าที่หน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานทั้งหมดเลยอัิลลอฮ์ อ้าต่อมาครับละอันละกุมตาจักรูนเพื่อสู่เจ um ้าละันละกุมอย่างเนี้ยเดือนประบอรที่ผ่านมาใช่มหมอ่านคูอ่านกุติบาลาย am, คูยละละมุซียมก็มากุติบาลลลารีนามินกอบลีกุมละอันละกุมได้ไหมอะไรนะลันละกุมตาักรูนไอตรงนี้ลอันละกุมตาจักรูนเพื่อสู่เจ้าจะได้ไข้ควรใช่ปัญญานะ ให้การใช้ปัญญามีรางวัลตอบแทนจาก Allah คิดคิดตาม Allah คิดตามนาบีอย่าคิดตามฝรัง่งคิดตามคนจีนก็ไม่ใช่คิดคิดตามอัลกรุรอานเนี่ยโอ้การให้สลาไปขอนอนุญาตไปนี่มาศึกษามาดูว่าการขออนุญาตเนี่ยเขาทำยังไงสมัยนี้ก็มีกระดิ่งใช่ไหมกริ่งแล้วก็มาขอขออนุญาต แล้วก็อัลลอมาระุยุมสมัยนี้มีโทรศัพท์อีกมันยิ่งดีขึ้นใช่ไหมอันฉันจะไปเยี่ยมคุณนะอีกยี่สบนาทีอาไปการแจ้งล่วงหน้านี่ขออนุญาตไหมขออนุญาตเนี่ย伊斯兰สอนอัลลอฮฺอักบับเป็น้างทีนี้บางคนโทรศัพท์ไม่มีอย่างสมัยก่อนนี่ก็มายืนเคาะประตูอ่าพอเคาะเสร็จแล้วไม่มีเสียงอัลลอฮฺมาระุยุม มีฮะดิษบทหนึ่งน บ, บีสอนอย่างนี้นะครับน บ, บีเนี่ยไปเยี่ยมสหบ้านชื่อซะอูบาสาอุดบินอูบินบินอูบาดะน บ, บีไปเยี่ยมน บ, บีก็ไปให้สลามไปเคาประตูล่าวน บ, บียืนไอ้การยืนเนี่ยสมัยก่อนนี่ไม่มีผ้าเลยนะผ้าบางตาไอ้ผ้าม่านบางตาไม่มีใช่ไหมเนะ่ยบางบ้านก็มีไม่มีผ้าบางตานะแต่ถ้ามีดีกว่านะครับ นบีจะยืนไม่ยืนการประตูบ้านนะอยู่ข้างหน้านาบานีไม่ยืนมายืนหน้าบ้านเลยการประตูนบีไม่ยืนนบีจะยืนไม่ซ้ายก็ขวาเพื่อไม่ให้เห็นในบ้านเขาไอการเห็นในบ้านมองไปเห็นในบ้านนั้นถ้าเป็นการขออนุญาตที่เร็วที่สุด <c oughs> จ้องไปในบ้านของเขาเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็บ้านพวกเราเนี่ครัวก็เห็นด้วยใช่ไห กระทะแขวนยังไงหม้อแขวนยังไงเห็นหมดเลยใช่ไหมแต่ความจริงควรจะปิดปิดปิ ด, ป, ดปิดบ้างใช่ไหมที่นอนก็ปิดบ้างไม่ใช่เปิดหมดใช่ไหมนบีไปยืนหน้าบ้านซาบ้านนาบีนบีไม่ยืนตรางกลางก ล, ลางประตูจะยืนซ้ายหรือไหมกับขวานาบีให้สลามครับสลามมาเลยกุมให้สามครั้งนี่นบีสอนนะให้สามครั้งนะแล้วก็ต้องนึกว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเขาไม่ตอบต้องนึกในทางที่ดีนะ นึ่เขากําลังนมายอยู่อ่าถ้านึกนมาดีดีไหมโอ้โหเบาไปเลยนมาเกลอากาศเสียอากาศอย่าไป น, นึกสองนึกสี่ยู่สักห้านาทีหากจะของบ้านไม่เปิดกลับไปเลยแต่นี่ซอบ้านนบีอะนบีมาน่ะเห็นละเห็น แล้วก็น บ, บีให้สลามาเลายกุมเขาก็ตอบเป็นการตอบเงียบเงียบตอบเบาเบาว่าอะไรกุมุสลมัมวะราะม์ม์ตุลลอห์น บ, บีไม่ได้ยินน บ, บีก็ให้อีกถึงสมครั้งพอครั้งที่สามน บ, บีไม่ได้ยินเสียงตอบน บ, บีก็เดินกับท่านสะอาดบินอูบาร์ดะก็วิ่งออกไปพราสู้มาสู้ฉันอยู่ฉันอยู่นบีว่าทําไมไม่รับสลามัฉันล่ะรับรับเงียบเงีย บ, ยบรับค่อยๆทําไม ต้องการจะให้นบีขอวางให้ฉันเยอะๆ <c oughs> เอาเขาเขาแปลว่าอะไรอั ส, ส, สลามูอะไลกุมขอความสันติจงประสบแดดท่านแล้วออกมาจากปากขายฟางนบีอัลลอ์ท่านใช่ไหมเขาเข้าใจว่านบีคือใครการให้สลานคืออะไรไมันเป็นบริกรที่มาจากอัลลอ์จริงๆใช่ไหมนั่นนบีซอบ้านนบีเขาเข้าใจขรรั์นบีเราจะทำแบบนี้ไหม ก็คงไม่ทำอาจจะนึกไม่ถึงเพราะว่าตรรักการูฟิกเกตไม่เป็นชายสมองจะเป็นช้เรื่องอื่นลืมนึกเรื่องสิ่งง่ายๆแบบนี้นะเอาเอ า, เอาต่อมาครับอายะนี้มีอยู่สามประเด็นประเด็นที่หนึ่งยา <c oughs> อิยันละดีนะอามานูที่อธิบายไปแล้วนะอัลลอฮฺพูดกับ คนผู้ชายผู้ศรัทธาแต่ที่นี่ไม่ได้หมายความเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงก็รวมด้วยบรรดาศรัทธาที่เป็นผู้หญิงในสมยัยท่านนาบีนี่นะครับพวกเขาปฏิบัติตามอัลกุรอานทุกคนก่อนเข้าบ้านหนึ่งบ้านใดนะต้องขออนุญาตเลยเพราะประทานกุรอานมาตั้งเรื่องนี้กคนชายกุรอานหมดเลย จะเข้าบ้านหนึ่งบ้านใดนี่ขออนุญาตมีผู้หญิงอยู่สี่คนไปเยี่ยมท่านหญิงอาอิชะที่บ้านบ้านข้าไปบ้านไปบ้านนาบีเนี่ยนี่นานได้รายงานบอกว่าพวกเรานะครับได้ขออนุญาตก่อนบางทีไปเคาะประตูก่อนนะครับบอกว่าฉันอะไรนะจะมาเยี่ยมนะแล้วก็ให้สลามก่อนเนี่ย นี่มีรายงานอยูได้มาทึกฮะดิษคอยมามบุคอรีด้วยนะว่าก็มีผู้หญิงสี่คนเนี่ยมาเยี่ยมท่านหญิงไอชาอยู่ตลอดเวลามาก็มาขออนุญาตก่อนแล้วมาให้สลามนะครับตอิดตัดสิบอินทุกขสิทธิ์ประเด็นที่สองการขออนุญาตเป็นวาจิบเนี่ยอุลามะอุลามะมัสฮับเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วการขออนุญาตเป็นวาจิบนะครับ ท่านอาก็วไปถึงลูกแม่เราเนี่ยอยู่อยู่บ้านเนี่ยเราจะเข้าไปหาแม่เนี่ยต้องขออนุญาตไหมขอได้ไม่ขอต้องขอครับพี่สาวเราน้องสาวเราอยู่ในห้องเราต้องการจะเข้าไปคุยเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่เข้าปวดแล้วก็นายเตือนบอกว่าคุณชอบเลยที่จะเห็น แม่อยู่ในชุดเปลือยกายะชอบไหมไม่ชอบเพราะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตแม่จะอยู่ในบ้านเดียวกันก็ตามนต่จะเข้าไปเยี่ยมแม่นะครับแต่มันยกเว้นมีอยู่สามเวลาถึอ่อลลนุญาตกำหนดเอาไว้เนี่ยนะต้องเคาะประตูก่อนนะครับแล้วก็มีซอบ้านนบีบางคนเนี่ยเข้าไม่เป็นนบีก็สอนอีกนะนบีถามว่าคุณคือใครฉันฉันเองฉันเอง นบีว่าฉันเองฉันเองใครว่าฉันเองฉันเองพวกเรามีไหมมีครับฉันเองฉันเองนบีออกไปไม่ใช่ฉันเองต้องเ อ, อ่ยชื่อด้วยอ่าฉันนี่ชื่ออาห์มัดนะชื่อมุสตอฟานะอ๋อระเจ้าจได้รู้มีสอแบนนบีคนหนึ่งอยู่ที่บังการดอยู่ที่ประเทศบัการดนี่แหละแล้วก็มีชายอยู่คนหนึ่งครับไปเยี่ยมจะเข้าไปดูท่านคือใครฉันเอง เ้าตอบ ว, ว่าฉันไม่มีเพื่อนว่าชื่อฉันเองฉันไม่มีเพื่อนที่ชื่อฉันเองฉันไม่มีเพื่อนนะคุณบอกก็ชื่อชื่ออะไรอ๋ออัลลอฮ์นี่อิสลามละเอียดไงฉันนั่งเรียนอิสลามอย่างเดียวนะพอแล้วจะรู้เรื่องมารยาทในการเข้าบ้านทั้งหมดเลยละทำอยู่เรื่อยอัลลอฮฺประทานพี่น้องอย่าพูดว่าฉันเองฉันเองนะท่านอัปปะบินยาซาได้รายงานว่ามีชายคนหนึ่งไดทถามท่านนบีว่า ฉันจะต้องอนุญาตเข้าไปก่อนจะพบพบคุณแม่ไหมนั่นเบี้วบอกใช่คุณต้องขออนุญาตก่อนจะเข้าพบคุณแม่นะครับเรื่องที่สามประเด็นที่สามในท่านในบ้านของท่านมีภรรยาอยู่คนเดียวการที่สามีจะเข้าไปพบภรรยาเนี่ยต้องขออนุญาตไหมเขาบอกว่าการขออนุญาตจะไม่ใช่วาจิ แต่เป็นแค่มุสตาฮัดเป็นการส่งเสริมไม่ขออนุญาตก่อนอเพราะว่าพยาเราอยู่ในห้องเยอะมากแหละเรานี่จะต้องขออนุญาตไหมไม่วาจิบต้องขอแต่มารยาทโดยส่วนรวมแล้วน่าจะขออนุญาตพยาด้วยอย่นี้เป็นต้นอลัลลอฮฺอัลบัดยิ่งใหญ่ทั้งหลายนะครับพญาของท่านอัมบุลลาบินมาซอุดรายงานบอกว่าเมื่อสามีออกไปข้างนอก เวลาจะเข้าบ้านนางเล่าว่าอัลดุลาาลาบินมะัสอูดซาบ้านนบีนะจะเคาะประตูก่อนทุกครั้งที่เข้าบ้านนี่เป็นตัสเซตอินุปะสเซอปฏิบัติสามีภรรยาก็ต้องเคาะประตูเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นละเอียดไหมลเอียดทะเลาะไปเรื่อยไปลองต่อมาครับวิธีการขออนุญาตไทยธรรมสองข้อในตัสเซตหลายๆเล่มนะครับหนึ่ให้ขออนุญาตก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้กล่าวสลามนะครับข้อที่สามให้แจ้งชื่อว่าชื่ออะไรให้ทำสามข้อนะข้อที่หนึ่งให้ขออนุญาตเมื่อขอแล้วให้กล่าวว่าอัสสลามมาเลยกุลเมื่อให้สลามแล้วต้องแจ้งชื่อว่าฉันเนี่ยชื่ออะไรนะครับนี่เป็นสุนัขของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุมะเลยฮิวะสัลลัมนะครับพี่น้องอัลลอฮฺอัลลอฮ ดีไหมดีมากทีนี้ในตัศซิอธิบายต่อไปอีกครับว่าท่านบีสอนบอกว่าอันยาบิรินียัลลอฮอัลลอฮลัยมลลัลตูซินอลลิมัลาอบดะบิสลามอย่าอนุญาตให้พวกเขาเข้าบ้านผู้ที่ไม่กล่าวสลามมาเยี่ยมเรา เคาะประตูประตูเรียบร้อยดีแต่ไม่ให้สลามนาบีบอกอย่าให้เข้าบ้านโอ้เนี่ยนี่เป็นการเตือนนะแค่นั้นแล้วก็ต้องไปบอกนี่ให้ท่าสลามด้ยสิผมอยากฟังสลามคืนสลามมาะลยกุมนี่นบีสอนนะครับท่านอุมัดบินฟารูกวะดียัลลอฮฺวานนะครับเมื่อจะเข้าพบท่านนาบีท่านพูดอย่างนี้นะ อ ل س ل ا م علي رسول الله السلام عليكم อายัะขูลอุมารท่านอุมารนะบัดลาไปเยี่ยมนบีท่านทาอย่างนี้นะอัสลามุอะลัยกัสูลิลลาฉันให้สลามกับกัูลของอัลลอ์ขอความสันติจงประสบแดกรัสูลของอัลลอฮ์พูดต่ออัสลามมาลาอกุมขอความสันติจงประสบแด่ท่านอายัดขูลอุมารให้อุมารเข้าหรือไม่ให้เข้าอย่างนี้เป็นต้น นี่ไซนาอุมัดเวลาจะเข้าพบนบีตราใช้ภาษานี้อีกคนหนึ่งท่านในฮะดิษมุสลิมท่านมูซาอัลอชอีเป็นสาวนบีนะครับเมื่อจะมาพบไซนาอุมัดท่านก็กล่าวแบบนี้เหมือนกันนะอัสสลามุอะลัยกุมฮะดอบูมูซาคนนี้ที่จะมาพบเนี่ยชื่ออบูมูซาหรือีกวัดึงใช้ว่าอัสสลามุอะลัยกุมฮอัลอาชอาีเอามาบอก ขอความสันติจงประสบเดียท่านฉันนี้คืออัชอาลีนะมาพบท่านอย่างนี้เป็นต้นท่านเอ่ยชื่ออัลลอฮ์และหมดยลิลยาด้วยวันอะไรอ้าพี่น้องนั่นคือข้อสรุปนะครับการเข้าบ้านเป็นาศาสนานะครับและมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นะครับพี่น้องอีกข้อดีหนึ่งนบีสอนนะครับ อันอบดุลโมอัลอรีรับดยอัลลอฮฺอันรู้ด้วยงากวาอิดัสถาจ๊ะนะอหฺลัรมยุริลลูฟารยาดการขออนุญาตเนี่ยให้ทําสามครั้งให้ไปยืนขออนุญาตเีกี่ครั้งนะสามครั้งถ้าไม่ม mm. ีเสียงตอบข้างในให้ทําไงให้กลับ บางคนกลับด้วยความโมโหมีไหมมีครับเอาไปคุยมายืนอยู่หน้าบ้านมันมันไม่อคลนคุยเป็นเดือนบ่นเป็นเดืนอนมาดู an, อกุรอานอะลอว่าบ่นดีไหมแล้วไม่บ่นดีไหมอะลอวะอัลบัตไม่บ่นดีกว่าดูการอัลกุรอานต่อไปนะครับพี่น้อง ف َ إ ِ ن َ م تَجِدُ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُهَا حَتَّى ي ُ ز َ ن َ لَكُمْ و َ إ ِ ن ت ِ ل َ ل ك ُ م ْ ر ج ِ ع ا ف َ ر ج ع ُ و ا و َ أ َ ز ْ ك ى لَكُمْ والله بما تعملون عليم <ت ص في ق> الله อับดุกระนี่ชั้นหนึ่งจริงๆเลยนะ فَإِلَمْ ن تَجِدُ و, و ا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُهَا و حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ تِلَالَكُمْ مُرْجِعٌ ُ و ف <c oughs> Akbar. <t> َรเ Th َอหัว ja อัล um ก้าลَุมวะแลหุบิมาทำงานนั่งอัลลีมอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺَัِลอฮฺอัลَอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฺَอัลลอฺَอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัล ا อฮฺอัَลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั ฟีฮาในบ้านหลังนั้นอาหารนคนหนึ่งคนใดไม่มีใครอยู่บ้านหรือว่ามีคนอยู่เขาไม่ตอบเขาไม่พร้อมที่จะตอบไม่พร้อมที่จะต้อนรับอย่างนี้มหีหลายกรณีเราไม่รู้เนี่ยใช่ไหมมีอะไรบ้างเนี่ยเอาลวกพูดเผือหมดเลยนะถ้าหากสูเจ้าไม่พบผู้ใดในนั้น ตอนให้สลามตอนขออนุญาตมายืนอยู่หน้าบ้านเขาแล้วเนี่ยฟต่ดค uh ah ูรูฮาจงอย่าเข้าไปเห็นอย่างครับตอนนี้เราบางคนถือโอกาสเ อ, อมาอยู่กูเข้าฮนะถ้าเจ้าของบ้านมาอยู่ไม่มีเสียงตอบห้ามเข้าเห็นอย่างครับเป็นทางีเป็นมายาหนะ นอกจากคนขโมรนะจะนันและเข้าเลยไป ม, มีคนดี่าแอบเข้าไปเลยไหมยปโยกทษดทัายเขาออกมาอะไรมานั่งอยกเรื่องนึงนะเพราะว่าเปประการกฎหมาที่มีอยู่ใช่อิสลามสอนะเมื่อไม่พบผู้ใดในนั้นตอนให้สลามก็จงอย่าเข้าไปฮัตตายุญาณาลักุมุญาตว่าถูกอนุญาตจนกว่าจะได้มีอนุญาตแก่สูเจ้าเสียก่อน ให้มีเสียงตอบว่าเชิญเชิญเชิญถ้ามีอย่างนี้เนี่ยเข้าได้เลยถ้าไม่มีเสียงตอบอย่าเข้าไปน้องพอเข้าไปพบเนี่ยเกิดของหายขึ้นมาเนี่ยยุ่งเลยนะขอโทษใจขอโทษรา้าเนี่ยแหละอย่างนี้ไปต้นเดี๋ยวนี้ก็มีวงจองปิดเนี่ยโอ้ย ไ, ไหมโอ้ยระวังระวังไปน้องถึงไม่มีวงจองปิดของอลลรรถมีอยู่แล้วอลรรถจับไปหมดแล้วนะพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอน คัตตาญุญนาฬกุลจนกว่า <c oughs> จะได้มีเสียงอนุญาตจากสูเจ้าว่าอตีล่าตีล่าแปะว่าถ้ามีเสียงกล่าว่ามีเสียงพูดออกมาแก่ท่านทั้งหลายว่าเออเจ้าจงกลับไปก่อนอ่าจงกลับอะไอภาษานี่หลอจงกลับนี่แหละทำให้เราบางคนโมโห ทำให้เราเคร่งให้โกรดฉันมาจากพัทยาขับรถมาเป็นชั่วโมงมายืนอยู่หน้าบ้านมันให้เรากลับโอ้โหเราคิดถึงรายะทางเดี๋ยวขับรถมานะ่ะไปน้องโมโหทำไม่พอใจบางทียืนด่านหน้าบ้านก็เลยใช่ไหมอย่าทำให้ทำไงมครับฟ้ายินเจ้ถ้ามีเสียงบอกว่ากลับกลับเลยไปน้อง หวังวันตอบแทนจากใครจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตอาลามันต้องอย่างนี้ครับคนที่มีอิมาต่ออัลลอเนี่ยอัลลอฮฺนี่เรื่องเรื่องอย่างนี้นะอัลลอฮมันเรื่องละเอียดนะนี่ถ้าเราไม่มีอิมานเนี่ยมโหไหมผมเคยไปบ้านอย่างน้อยสามบ้านแล้วนะที่สั่งให้กลับผมน่ะกลับผมนึกถตงอาญานี้แต่คนที่ไปกับผมนะ่ะบนสามเดือน ดูสิมายืนหน้าบ้านมันแล้วมันให้กลับดูสิดูดูมันทำเลยผมมันนัง่งเงียบบอกเฮ้ยอย่าพูดได้ไหมอากุ๊อ่านนีเขาฟังเขาบอกไม่ได้เราเป็นคนมีเกียรติน่ะอาจารย์เป็นคนมีเกียรติน่ะดูสิมาหน้าบ้านมันยังสั่งให้กลับเลยเขาบอกเฮ้ไม่ใช่า อ, อารมณ์สั่งให้กลับก็ต้องกลัดสิก็เถียงเทียงกันเล็กน้อยอย่างนี้จะทนจ้นอนตอน น, อนี้พอกลับแล้วเป็นไงครับ ฝัดยาวอักลกัลกุมจงตัดนะเพราะการตัดนั้นอัลกัลแปลว่าสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วอัลลอสะอาดหัวใจก็สะอาดอะไรก็สะอาดเพราะมาทตามคาสั่งอัลลอถึงฝืนอารมณ์อ่าพี่น้องการฝืนอารมณ์นั้นมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลกัล เอารอไปน้องไปน้องแต่บางบ้านนี้นะเขาบอกว่าฉันไม่ให้เข้าอ่ะบางบ้านนะฉันไม่ให้เข้านะใครที่ไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้าสองสามชั่วโมงมายืนหน้าบ้านฉันก็ไม่ให้เขา้เขาความอาญอ า, านี้ประชาชนมีไหมมีบางคนไม่รู้ว่าทําทตามกฎหมายมาถูกแต่เขาไม่รู้เขาก็มีนิสัยแบบนี้ไนงะถ้าจะบอกก่อนต้องบอกล่วงหน้าจะน้อยสองสามชั่วโมงถึงจะให้เขา้า เรื่องการเข้าบ้านก็ต้องนึกนะบ้านแม่่ม้คนเดียวเนี่ยห้ามเข้านะ <c oughs> ไปยิ่งบ้า น, านาแม่ใๆแม่ไม้ประจําเลยไม่ไปแตะอังเขาหรือเปล่าไปจิบเขาหรือเปล่าที่แม่บ้านมาให้เข้าวกระทุแล้วอ่ะใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นผู้ชายก็ต้องนึกตระเนอีกนะถ้าเป็นผู้หญิงแม่ไม้อยู่คนเดียวเนี่ยห้ามเข้าบ่อยๆนะนะครับผู้เรียนการกลับนะฟารุ่ยเจีย๋ยเอาโจมอะไรนะโจงกลับ ผัวอัศกาละกุมเป็นการเป็นความสะอาดนะครับลักุูมสําหรับท่านทั้งหลายคํำว่าอากาศเนี่ยอากาศหรออัศกาเนี่ยศัพท์คำเดียวกันนะคนที่จ่ายอากาศซักฟอกเงินของเขาที่เหลือให้สะอาดสอมทําให้หัวใจของเขาสะอาดบริสุทธิ์นะครับอัลลอฮฺผานุซาละดีมากครับทีนี้ทําใจให้สะอาดทําไงภาษาอุปนิสก็คือ ให้อิมานต่ออัลลอฮ์องเดียวอย่ายึดสิ่งอื่นถ้ายึดสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์ใจคนนั้นไม่สะอาดยังไม่นจะสักฟอกให้สะอาดวิธีทําใจให้สะอาดก็คือยัดยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์องเดียวเท่าไรใจสะอาดใจบริสุทธิ์ทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลอเอลลอฮ์นะครับพี่น้องต่อมาครับวลอฮูบีมาตัมมัลูนัลลิมและอัลลอ 阿里มุนบอกว่าทรงรู้นะครับทรงรอบทรงรู้ปีมาตามาลูที่สูญเจ้ากระทําอาลองรู้หมดเลยกลายเป็นน้องต่อหลายเจ้านั้นการเข้าบ้านมีรางวัลไหมมีรางวัลตอบแทนจากลอลลอนอนมีรางวัลเข้าห้องน้ํามีรางวัลเข้าบ้านมีรางวัลขึ้นรถมีรางวัลที่ไหนที่มีดวงอาลและให้สลามมีรางวัลตอบแทนจากอลอหมดเจ้านั้นบัญชีพี่น้องครับ ต้องเล่มใหญ่นะบัญชีของเราเล่มใหญ่นะดูเลยหนึ่งอ่านดูอาเข้าบ้านมีไหมมีเข้าบ้านญาติพี่น้องมีไหมมี ม, มีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดจะนอนก็มีรางวาัลจะกินน่างก็มีรางวาัลเพราะว่าต้องกินมือขวาอ่านบิมิลลอฮ์ไปน้องห้ามหายใจในะขณะเดินนะนี่เป็นสุนัขนบีมาจำกับชีวิตทั้งหมดเราสบายใจไหมไปน้องที่นั้นเรียนเรียนฮะดีสเรียนกุ้งอ่านเรียนสุนัขนบีเนีอัลลอห์มาก มันทําให้เรานะี่นอยู่ในหลักการของศาสนาเนี่ยสนางงามหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อาครับอายาสุดท้ายนะครับ <c oughs> ขอฝากนะวเวลามีเสียงบอกให้กลับเนี่ยสแสดงความไม่พอใจได้ไหมไม่ได้มายืนด่าข้างหน้าบ้านไ <c oughs> ม่บนสามเดือนนะอย่างีเป็นต้นแลจําันมันคงจำเงินนะทำเนี่ยแล้วถูกไล่กลับมาแล้วผมเคยไม่เคยมาแล้วพี่น้อง <c oughs> ليس ่ لي ل เ ك ้าอ ج ُ ن มจุนห์นะ a n t a u t a n غ ي ر م ك د و ن ه فيها متاعلقم والله يعلم ما تبدون و ما تكتمون ไล่สาไล่คุมยูนะฮุนอันตาดูฮุลูบุยตันไรละมัสกูนติมฟิฮ์มาตาฟิฮ์มาตาฮุลักุมวะแลหุยะลามาตุบดูนวะมาตักตุมอัย์สุดท้ายครับคาเดีมากพี่น้อง ไลซาแปลว่าไม่มีอะไรงกุม um แก่สูเจ้ายูน่าฮุนแปลว่าบาปหรือโทษหรือว่าค อ, อระหาข้อคอระหาไม่เป็นบาปแก่สูเจ้าไม่เป็นโทษแก่สูเจ้าไม่มีข้อคอระหาใดๆแก่สูเจ้าทำได้เลย อันตะดุคูลูที่สูเจ้าจะเข้าบูยูตันบ้านหนึ่งบ้านใดรอยมัสกูนะบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยคนอยู่ประจำไม่มีอโลอโลสอละเอียดไหมอะไรบ้างอ่ะ <c oughs> ฟีฮาในบ้านหลังนั้นมีอะไรครับ มาจะเอาละกลุ่มของจำเป็นจำเป็นสำหรับท่านทั้งหลายในบ้านลํานี้มีของจำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปสู้ก็ได้แต่เจ้าของบ้านแน่นอนไม่มีมีอะไรบ้างไปน้องเช่นลานค้าสองศาลาศาลาคูโบศาลาสุราอุศาลาวัด แ, แต่บ้านล้างโรงเรียน ของประชุมมหาวิทยาลัายอพี่น้องสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะอ๋อมาตะขออนุญาตเนยเข้าไปได้เลยโรงพยาบาลกรมการกรเข้ามาตะขออนุญาตใครอ่ะแต่นเมื่อไปไปอยู่ห้องเขาแล้วนี่นะต้องเข้าต้องขออนุญาตนะตอนจะเข้าครั้งแรกเนี่ยตะขออนุญา ต, ตเข้าไปเลยไปโรงพยาบาลเลยก็ได้ไม่มีปัญหาใครสั่งก็าาอ๋อสะ่ง พราฉะนั้นไม่มีบาปไม่มีข้อขรอหาไม่มีโทษแก่สูเจ้าที่สูเจ้าจะเข้าบ้านหนึ่งบ้านใดก็ตามที่บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่อาศัยแน่นอนแล้วก็เราจะต้องจาเป็นต้องเข้าไปหาประโยชน์จากบ้านหลังนั้นไม่ต้องขออนุญาตอัลลอ์ดีไหมดีครับวัารอผู้ยารอโมอัลลอฮ์นะครับทรงรอบรู้ที่สุด ยาลำประสมรอบรู้ที่สุดมาตุนบนดูที่สูเจ้าเปิดเผยนะครับแล้วก็ว่ามาตักตูมูลที่สูเจ้าปิดบังเอาไว้อยู่ในใจเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้อ๋อเราก็รู้สิ่งที่อยู่ในใจของผู้ท่านทั้งหลายไม่ว่าเปิดเผยหรือว่าปิดบังแตลเรารู้หมดอายานี้ต้องการจะสอว่าไงนะบ้านที่ไม่มีผู้อาศัย แต่มีของจําเป็นสำหรับสูรเจ้าที่จะต้องเข้าไปซื้ออย่างเซเว่นอีเเวนนี่ย ม, ม, ม, ม, มันจำเป็นไม่จะสลามมาเลยกูมมัจําเป็นไปเคาะประตูก่อนไม่จําเป็นโรงพยาบาลไปเราะฉันจะเข้าโรงพยาบาลมาจํ า, าจเป็นโรงโรมเนี่ยมันทัสลาเ ม, มาลากูมไม่ต้องเห็น ไ, ไหมอย่างนี้เป็นตน้นที่นีมียามเฝ้าของเฝ้ า, า, าไว้ เพราะอัลลอฮฺสั่งไม่ต้องไม่บาปไม่บาปไม่บาปไม่บาปอย่างดีเป็นต้นอันดีมะเนี่ยอัลฮัมดุลลาห์ได้ความรู้จากอัลกุรอานอัลลอฮฺอัลลอบัดเอาคุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันอัลลอฮฺเป็นอมรเวลากระสมพานกับลลอฮฺมาอัลฮัมดิกะซุลเลาะหิลลาอิะอันตะอัสตฟวะตบุิไลสลาลุมมตุลลอฮะบรกตุ